ทนีนับสองะในส่วนแห่งศีลที่มีสองอย่างมีวินิจฉัยดังนี้การทําให้เต็มซึ่งสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าข้อนี้ภิกษุควรทําดังนี้อันใดนั้นชื่อว่าจาริตรศีลก็คือการบําเพ็ญสิกขาบทเนี่ยนะบำเพ็ญศีลและสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ว่า อาพิสมาจาริตรศีนี้ควรทำนี้ควรปฏิบัติเหมือนกันเถอะแต่พระองค์สั่งเลยนะว่าต้องไปทํานะต้องไปทำไอ้อยางนี้แหละเรียกว่าจาริตรศีนเห็นไหมเช่นพึงทําศึกษาว่าเราจักนุ่งเป็นปนริมณฑลพึงทําศึกษาว่าเราจักผมเป็นปริมณฑลพึงทําศึกษาว่าเราจักปกปิดกายดีไปในละแวกบ้านพึงทําศึกษาว่าเราจักไม่เดินแขว่งแขนไปในละแวกบ้านพึงทําศึกษาว่าอ่านนะ จะสํารวมต่อไปตามนั้นไปอันนี้เราต้องทำนะไม่ทําไม่ได้ที่สู่รูปใดอาศัยความไม่เ อ, อื้อเฟื้อต้องอาบัตทุกปณ์เกี่ยวกับเรื่องมารยาทเป็นต้นนั่นเอง<ม>เกี่ยวกับมารยาทบางอย่างส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเกี่ยวกับข้อประพฤติข้อปฏิบัติต้องทําเพิ่มอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยวัดเก้าิบสี่เมื่อกี้อย่างปริวาสเนี่ยอันนี้ต้องไปทำนะจะมานั่งเฉยไม่ได้ต้องไปทําถ้าไม่ทําเป็นอาบัตเพิ่มอีก อันนี้เรียกว่าจาริตศีลต้องประพฤติขึ้นมาอันนี้ันแน่นอนนะหรือวินัยของคารืหัดจริงๆอ่ะนะตามพระสูตรสูตรหนึ่งอ่ะชื่อว่าชื่ออะไรนะสิงคหลักาสูตระนะในสิงคาลากกสูตรนั่นแหละถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องครืหัดเรื่องที่หกอ่ะน ะ, ะจาิตศีล น, นี้ถ้าหากว่าใครไม่ปฏิบัติให้บริบูรณ์นะ ส่วนใหญ่จะตำหนิตัวเองในภายหลังเช่นจารีตของคารวาก็เหมือนกับหลักทิฏหกอ่ะนะอยู่กับลูกหลานเราดูแลเขาไม่ดีตามหลักของทิศนั่นอ่ะเดี๋ยวก็มานั่งทุกข์กับลูกละนะอยู่กับภรรยาทําไม่ประพฤติตัวตามสมควรกับเรื่องนั้น น, นเดี๋ยวก็ทุกข์อีกละอยู่กับพ่อแม่ทําไม่ได้ทํำกิจอันนั้นอันนั้นเอาไว้เดี๋ยวก็ทุกข์อีกละกับถาดกรรมกรทำไม่ได้ประพฤติให้ถูกหลัก เกี่ยวกับการมีลูกน้องเดี๋ยวก็ทุกข์เพราะลูกน้องอีกละก็จะอยู่ลักษณะนี้นะนั่นก็เป็นจารีตที่จะต้องประพฤติขึ้ น, นเช่นจารีตของสา ม, มีต่อภรรยาผมจะไม่ได้ข้อหาของประดับให้ซื้อของประดับให้เป็นครั้งคราวจะนอนอแล้วพว ก, การนาเก็ินี้หรือเเอา้าผมไปเขมรนั่นผมไปเขาวโน้นน่ะในชีวิตครั้งเดียว <c oughs> ายาลังเลโหมันแพงมากนี่ของแท้และของเทียมก็ไม่รู้เป็นแ อ, อะไรเนาะเป็นพลอยพรอยสีพรอยสีสีสีบลูสีบลูนะแม่ภรรยาอยากได้มากแต่ว่าโอ้โหมันแพงเหลือเกินนะสีพัตบองผมเลยว่าเออไม่เคยซื้ออะไรให้เลยเอาซื้อทันทีกับใจมาเลยได้ทำก็ดแล้วนะ จำได้เลยเออเราได้ได้ได้ปิดทิศเบื้องหลังเลยแนละ้ว อ, อ่าอันนี้นะเออคือถ้าเราทําตามอย่างพระผู้มีภาคทรงตรัสไว้นะมันเป็นการออมอบกายถวายตัวต่วตอพระรัตนตรัยนะมีพระรัตนตรัยเป็นผู้แนะนำเรานะเป็นผู้นําเราเบื้องหน้าเราจะทําตามทุกอย่างที่พระผู้มีพระสงตรัสไว้อย่างาพระผู้มรงตรัสไว้บอกว่าสําหรับนายกับกับบ่าวอะไรเงี้นะฮะ ลุงตาแม่บอกว่ามีการให้รัพย์เป็นรางวันบ้างให้ของอร่อยบ้างอ่าเอเออันนี้นะถ้าท่านลองทําดูนะถ้าให้นะผูกใจมากเลยนะแล้วแล้วแปลกนะที่ที่ก่อนนี่นายเราก็เราก็เคยมีนายใช่ไหมฮนะนายบางคนท่านก็ให้เป็นทรัพย์บด้วยกันนะเออความจริงก็ไม่มากมาเลยแต่ผูกใจจริงๆนะะเอออันนี้ อันนี้เป็นความจริงอย่าพวกตัดไว้เป็นมงคลก็ทําให้เกิดความจงรักภักดีทําให้เกิดความอะไรเยื่อใหญ่เจริญพรพันธ์หลักท่าจารีตศีลที่คารวะต้องประพฤติก็คือหลักทิศหกนั่นเองอนะนะเบื้องหน้าเบื้องหลังทิศซ้ายทิศขวานะนะข้างบนข้างล่างส่วนของพระภิกษุก็คือมีข้อบัญญัติที่ชัดเจนอยู่แล้วเช่นวัดตักขันทะกะเนี่ยนะนะมีวัดสิบสี่ เสกียวัตเ75แล้วก็วัดของภิกษุที่อยู่ปริวาทเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้มีวัดประพฤติชัดเจนเลยต่อไปว่าการไม่กระทำความประพฤติที่ทรงห้ามไว้ว่าข้อนี้ภิกษุไม่ควรกระทำดังนี้อันใด น, นี้ชื่อว่าวาริตสินเนี่ยนะคือถ้าทำไปแล้วเป็นอบัตมีโทษนะอันนี้เป็นข้อข้อห้า ม, ม น, นะถ้าก็คือเช่นอย่าฆ่าตัดนะ ถ้าฆ่าตัวเล็กมีโทษเท่านี้นะถ้าฆ่าเดรัจฉานโดยที่สุดแม้แต่ไข่มดดำมดแดงเป็นวัตถุแห่งปจิตีนะถ้าหากว่าฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์ก่อนโน่นนับตั้งแต่ว่าผสมยาให้คันตกเป็นต้นมาภาลานาคุณแห่งความตายชักชวนเพื่ออันตายเป็นต้นอันนี้ต้องเว้นนะถ้าไม่เว้นเนี่ยเกี่ยวกับมนุษย์ประราชิกอย่างเดียวเ น, นถ้าฆ่ามนุษย์ ทุระใจเนี่ยเขาก็จะแบ่งวักไว้ค่ายักษ์อย่างเงี้ยพระค่าผีทุระใจเออรองๆอ ง, องสังฆาทิเศตแล้วก็ก็บาปมากกว่าค่าเดรชานอ่ะเป็นอบัตหนักกว่าค่าเดรชาณถ้าค่าเดรชานก็เป็นอบัตปจิตีนั่นนะเขาก็อาจจะคนมีฤทธิ์มีมนมีคาถามีอะไรก็สามารถทําได้ นะส่วนจารีกวารีกก็คือข้อห้ามกับข้ออนุญาตเท่านั้นเองอต่อไปนี้เป็นความหมายแห่งคําในสองบทนั้นอันนี้จะขยายละเอียดหน่อยว่าภิกสูทั้งหลายย่อมประพฤติในศีลนั้นคือดําเนินไปโดยความเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายเพราะเหตุนั้นศีลนั้นจึงชื่อว่าจารีตศีลคือหมายความว่าจะต้องเข้าไปทําให้บริบูรณ์นะศีลอันนี้ ถ้าไม่เข้าไปทำให้บริบูรณ์ศีลนั้นก็ไม่ได้เป็นบาตแห่งคุณธรรมชั้นสูงต่อไปนนะซึ่งมีความสำคัญมากนะถ้าหากว่าเราทำกุศลธรรมเหล่านี้บกพร่องเท่าไหร่ใจเราก็จะปีติปราโมทเป็นต้นน้อยเท่านั้นถ้าปีติปราโมทเป็นต้นน้อยกุศลธรรมชั้นสูงก็เกิดไม่ได้มันค่าๆกับว่าไปทำอะไรมาไม่เสร็จอะนะมันก็นั่งกังวลนีหงุดหงิดมันมันน่าจะทำให้เสร็จอะ หรือทําแบบทําลวกๆไปทีหนึ่งเวลามาศึกษาธรรมะหรือเวลาเจริญกรรมฐานเป็นต้นมันก็มันก็ไม่สงบดีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบางองค์เนี่ยไม่ได้ปัดกวาดอะไรเรียบร้อยก็นั่งกังวลอยู่นั่นแหละไม่ต้องสงบหรอกนั่งชั่วโมงหนึ่งไงกวีตกกังวลอยู่นั่นแหละภิกษุทั้งหลายย่อมป้องกันคือไม่กระทําำนะย่อมรักษาศีขากฎข้อที่ทรงห้ามไว้ด้วยศีนั้น เพราะเหตุนั้นศีนั้นจึงชื่อวาฤตศินเห็นไหมวารีตนี้เป็นข้อที่ทรงห้ามหรือเป็นเครื่องห้ามของพระศาสดาในสิกขาบททั้งหลายพระองค์นี่จะห้ามไว้ตั้งแต่ปราชิกเห็นไหมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่สุดยัยถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นส่วนจุรกรรมจากบ้านก็ดีจากตาก็ดีเนี่ยไม่ได้นะถ้ากว่ามีค่าเกินห้ามาศเน็นไหม ที่เรียกว่าพระราชาจับโจรได้แล้วข่าไว้ค่าเสียบ้างในประเทศเสียบ้างโดยปรับโทษว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นคนขโมยเจ้าเป็นคนพาลเพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปาลใดพิสูจน์ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เห็นปาลนั้นแม้พิสูจนนี้ก็เป็นปราชิกหาสังวาสไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ห้ามแบบนี้อย่าไปทําเด็ดขาดเลถ้าทําจะต้องมีโทษไปตามนั้นตามนั้นไป ในศีลสองอย่างนั้นจาริตรศีลมีศรัทธาและวิริยะเป็นเหตุให้สาเร็จเนี่ยนะไอข้อปฏิบัติข้อประพฤติเนี่ยนะจะต้องมีศรัทธานะจึงจะทำได้ถ้าไม่มีศรัทธาไม่สามารถจะทำได้นะซึ่งถ้าอธิบายว่าก็คนไม่มีศรัทธาและคนเกียจคร้านคนขี้เกียจจะยังข้อวัดปฏิบัติให้บริบูรณ์ไม่ได้เลยใช่หม คนถ้าขาดศรัทธาจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าถือนิสัยกับครูบาอาจารย์ไปต้นถ้าไม่มีศรัทธาในศิษยาบทถ้าไม่มีศรัทธาในอาจารย์องค์นั้นๆเนี่ยทำอันนี้ไม่บริบูรณ์ไม่ได้เนี่ยนะประพฤติไอจารีตอันนี้ให้บริบูรณ์ไม่ได้นะอย่างน้อยที่สุดมีศรัทธาในศิษยาบทและในอาจารย์ที่เราไปถือนิสัยในอุปชาที่เราไปถือนิสัยถ้าไม่มีศรัทธาทําไม่ได้หรือศรัทธามีแต่ว่าแหมขี้เกียจลุกเหลือเกินอย่างเงี้ยพวกขี้เกียจทั้งหลายแหละก็ไม่สามารถทําได้ เพราะฉะนั้นผู้มีศรัทธาเท่านั้นมีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยที่พระศาสด า, สดาทรงบัญญัติไว้พระพุทธเจ้าทรงห้ามทรงบัญญัติไว้ก็มีศรัทธาที่จะประพฤติตามก็สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ก็ทําให้บริสุทธิ์ทําให้บริบูรณ์นเนั้นอาการที่จะประพฤติวัดอันนี้ให้บริบูรณ์นั้นต้องมีศรัทธาในพรนะธรรตรัยมีศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆ และมีศรัทธาพอสมควรในอาจารย์ที่เราประพฤติวัดเนี่ยนะต่อคนที่เราไปประพฤติตอบถ้าหากว่าเราไปโกรธท่านอย่างเงี้ยเราก็ทาวัดนั้นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยส่วนวาริตศีเนี่ยนะข้อเวนเนี่ยมีศรัทธาเป็นเหตุให้สำเร็จอันนี้ต้องเว้นอย่างเดียวเชื่อพระองค์ไว้อย่างเดียวพระองค์บอกว่ายาก็ต้องยาอย่างเดียวเห็ถ้าบอกโอ้อยงี้ไม่มีเหตุผลเลย นะอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยเพื่ออะไรพระองค์บอกว่ายานะแต่ก่อนที่พระองค์จะบอกว่าอย่าณเนี่ยพระองค์พูดอะไรก่อนดูก่อนพิสุทั้งหลายเร า, เานะจับบัญญัติสิกขาบทแก่เธอทั้งหลายด้วยอาศัยอํานาจประโยชน์10ประการองค์ก็เลยแสดงเพื่อรับว่าดีแห่งสองเพื่อสําราญแห่งสองเพื่อคมบุคคลผู้เกยยาก เพื่ออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเพื่อกําจัดอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศัทธรรมเพื่อถือตามวินัยเสร็จแล้วพระองค์ก็บัญญัติวินัยไปเลยนะว่าอย่าทํานะเสร็จแล้วของเราอ่ะรักษาเพื่ออะไรถ้าเราจะรักษาศีลเนี่ยรักษาเพื่ออะไร วินัยเพื่อประโยชน์แก่วินัยเพื่อประโยชน์อะไรวินัยเพื่อประโยชน์แก่การสังวรสังวรเพื่อประโยชน์แก่อวิปปิสารอวิปปิสารเพื่อประโยชน์แก่ประโมทเป็นต้นนะในหน้าสี่ิบสามที่จริงแล้วเราจะเรียนถึงอยู่แล้ว <ừ ừ, S 1> เพราะฉะนั้นคนที่จะไม่ละเมิดข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้ได้นั้น่ะคนนั้นมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีตถาคตโพธิ์ที่ศัทธาเข้าใจพุทธประสงค์ว่า พระ อ, องค์บัญญัติศิขาบทเหล่านั้นเพื่ออะไรเนี่ยนะสำหรับในจาริตรศีลกับบาลิตศีลเนี่ยออสําหรับข่วว่าเนี่ยในมงคลสามทีแปดเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเลยนะชัดเจนแล้วนะเกือบจะทั้งหมดเลยนะมีทั้งห้ามด้วยมีทั้งให้ทาด้วยเจรผญพรใช่ไหมเช่นข้อแรกก็คือว่านีอย่าเนี่ยอย่าอย่าหยาพุทพานคนพาณ น, นะอย่าเข้มวดบัณิตอะไใช่ไหมฮะเจรผญาน หรือว่าฟังทำตามการจนธนาทําตามการในไูพนี้ใช่ไหมครับใช่ท่านเนี่ยนะครับครบอะไรอ่ะมีอะไรก็ถ้าเรียงนะการไม่คบคนพานหนึ่งการคบบัณฑิตหนึ่งบูชาคนที่ควรบูชาหนึ่งนี้เป็นอุดมมงคลถ้าไมบูชาไม่ดีนะไม่เป็นมงคลอีกถ้าบูชาก็เป็นมงคลเป็นเหตุให้ถึงความเจริญนะแล้วก็การอยู่ในปฏิรูปประเทศนะการอยู่ในประเทศที่สมควรหนึ่ง การควรนรเลือกหาที่อยู่ถ้าเลือกหาไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวลูกไปได้คบคนพาในยุ่งหมดเลยขี้ยาติดรอบบ้านหมดเลยเนี่ยลําบากเลยนะอย่างเงี้ยนั้นปฏิรูปประเทศหนึ่งปฏิรูปรคาปุเพกัตปุญญตาคนที่มีบุญเก่าไว้เนี่ยําาบงข้อนี้เอาก็ทํามันนี้ให้เป็นบุญเก่าของพวงนี้ต่อไปแล้วก็อัตตะซัมมาปณิทิหนึ่งเอตัมมังคารมุตตัมังอันนี้ก็เป็นอุดมมงคลนะ แล้วก็มาตาปิตุอุปัทานนางการสงครอ่าการบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาการสงเคราะห์บุตรและภรรย า, <ข>าการทํางานอันไม่ข้างค้างไม่อากูลนี่ก็เป็นอุดมมงคลทานนั้นจะธรรมจริยาการให้ทานหนึ่งการประพฤติธรรมหนึ่งยาตการ น, นั่นจะสังขโหการสงเคราะห์ญาติหนึง่งเอตมังคารมุตมังนี้เป็นอุดมมงคลอะแล้วก็อารติอา ร, อารวรติปาปาการงดการ ไม่ทําบาปการเว้นจากการทําบาปมัชปานาจะสัญโมมัชะก็คือไม่ดื่มน้ําเมาอปมาโทจะทำเมสุไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนี้เป็นอุดมมงคลนะแล้วก็คารโวจะนิวาโตจะสันตุธีจะกตันยุตาการสันโดษแล้วก็กระตันยุกระตันยุรูคุณเอตัมมังคามุตตะมังขันตีจะโสวะจะสตาขันติหนึ่งนะโสวะจะสตา พันตีจโซวัวจสตาสัมมานานันจทัศนังคือการเห็นส ม, มณะเนี่ยนะกาเลนะธรรมสวังเอตัมมังคลมุตตมังนะนะพวกนี้ก็เป็นมงคลเพราะฉะนั้นศีลนี่จัดเป็นสองอย่างโดยเกี่ยวกับจาริตศีลและวาริตศีลด้วยประการดังนี้เนี่ยนะเนะเรียกว่าให้รู้จักข้อที่ตัวเองควรห้ามแล้วก็ข้อที่ตัวเองควรทำ แต่อย่าลืมนะศีลคืออะไรก่อนเห็นไหมศีลก็คือเจตนาเจตสิกสังวรอวิติกรมศีลเหล่านั้นนี่แหละมาแบ่งว่าส่วนหนึ่งเป็นจารีส่วนหนึ่งเป็นวารีอ่ะนะก็คือตัวเดิมนี่นะเพราะเราต้องไม่ลืมตัวเดิมไม่งั้นเดี๋ยวทําไปทำมาอา้าวเจตนาอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วคราวนี้ทิ้งเจตนาเลยทิ้งเจตนาทิ้งเจตสิกทิ้งสังวรทิ้งอวิติกรมนี่ก็หายตัวศีลไปเลยคราวนี้ ทีนี้ต่อไปนะในทุกกะที่สองเลยเอทุกกะที่สองก็รายละเอียดค่อนข้างยาวเหมือนกันคงไม่ทันนะนะใครมีคําถามอย่างอื่นก่อนไหมทุกกะที่สองนี่ยาวในมงคลฐาที่แปดก็อยู่ในสุตานิบาตใช่ไหมครับเจนพอในสุตานิบาตก็มีคูตกราษฎกุฎการนิกานะกุฎการนิการสุตานิบาตก็อันที่จริงเราควรจะต้องเราควรจะต้อง ต้องตึกได้เลยสำหรับสำหรับอันนี้น่าน่าตึกมากเพื่อจะได้เตือนเตือนการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันของเราใช่ครับใครที่เป็นนักสวดมนต์อยู่แล้วเนี่ยนะท่องเป็นภาษาบาลีได้ก็เบาขึ้นเยอะเหมือนกันที่จริงฟังสวดมากกวเยอะแล้วทุกงานเลยเอตมังคารุณตมังได้ยินตอทุกทีไปใช่แล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยอวันนี้มาฟังแค่นี้ก็ได้บุญตังเยอะแล้วฟังอย่างนั้นไม่รู้เรื่องเลย ถ้าหากว่าเราเข้าใจมงคลเนี่ยนะบทสุดท้ายก็บอกว่าคนที่มีมงคลเหล่านี้จะไม่รู้จักพ่ายแพ้ปราชัยเลยนะจะไม่รู้คําว่าพ่ายแพ้จกไม่รู้คําว่าปราชัยว่างั้นเลยเขาจะเป็นคนที่ชนะเพราะว่าบทสุดท้ายว่าไงนะอ่ะก็เรียกว่าพุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยสนาคปตินะบอกว่าจิตของผู้ใดถูกทุโลกธรรมถูกต้องแล้วมั่นคงไม่วันไม่วันไว้ไม่เศร้าโศกเป็นจิตเกษม เอตัมมังคารมุตตัมังนั่นเป็นอุดมมงคลโอ้โหรหัตผลจิตนะนั้นจึงไม่รู้จักแท้ใครเลยนี่ถ้าถ้าประพฤติดได้ตามมงคลอันนั้นเนี่ยนะแต่ว่าอริยสัจจานัทสนังนี่จะอยู่มงคลท้ายๆ้ายแล้วนะถ้าในในการรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยนะถ้าไล่มงคลตั้งแต่ต้นมาแล้วเนี่ยการรู้แจ้งอริยสัจนั้นนับเป็นมงคลท้ายท้ายแล้วนะตะโปจะพระมจริยันจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานะสัจจิติริยาจะเอตัมมังคารมุตตัมัง เป็นมงคลที่ข้อที่เกิน30มาแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นมงคลในชั้นพื้นฐานก็คือเรื่องศีลก็อยู่ในมงคลเช่นวินโยจากสุสิกคิโตเนี่ยนะสุภาสิตาจยาวาจาวินัยที่ศึกษาไว้ดีแล้วเนี่ยนะศึกษาเรื่องศีลให้เข้าใจอย่างดีอันนี้ก็เป็นอุดมมงคลแล้วก็การกล่าววาจาสุภาษิตอันนี้ก็เป็นอุดมมงคลเนี่ยนะเป็นมงคลที่สูงสุด ที่ทำให้ถึงความเจริญได้ อ, อัตตาสมาปนิธินี่ที่ครับสำคัญมากเลยนะที่จะเป็นมงคลนะครถ้าถ้าตั้งจิตไว้ผิดนี่ก็ไม่เป็นมงคลจริงจริงเจนทรอยก็บอกว่าถ้าหาว่าตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยนะเหมือนกับในที่พระ อ, องค์ตรัสกับคนเลี้ยงตรัสถึงคนเลี้ยงโคคนหนึ่งะนะ ว่าถ้าหากว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยมีโทษยิ่งกว่าโจรโจกเจอโจรโจกเขาว่าคือคนที่เป็นศัตรูกันที่ขาดความกรุณาต่อกันเป็นอย่างยิ่งอะนะเห็นที่ไหนก็ต้องฆ่ากันที่นั่นให้ได้อ่ะก็บอกว่านับว่ามีโทษใช่ไหมคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่เนี่ยวิบัติทันทีเลยแบบนั้นเถอะแต่ว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยมีโทษยิ่งกว่านั้นอีกเห็นไหะจิตที่ตั้งไว้ผิดเช่นตั้งจิตไว้เพื่อที่จะไม่มีศรัทธาเลยมไม่เชื่อนะ ตั้งจิตที่จะไม่มีศรัทธาตั้งจิตที่จะไม่ให้ทานเป็นต้นเนี่ยตั้งจิตที่ว่าไม่จําเป็นศีลนะตั้งจิตว่าไม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรให้เข้าใจอะไรมากมายหรือตั้งจิตที่นอกตามหลักมงคลอ่ะตั้งจิตที่ว่าจะไม่ปฏิบัติ ต, ตามหลักมงคลนี่แหละอันนี้มีโทษยิ่งกว่ายิ่งกว่าโจรโจรเจอโจรอย่างนั้นเลยแต่ถ้าจิตที่ตั้งไว้ถูกมีคุณยิ่งกว่ามารดาเนี่ยนะ แม่เนี่ยนับว่าเาว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสามารถยกให้ลูกได้หมดเลยแต่ว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกเนี่ยมีคุณยิ่งกว่านั้นอีกเนี่ยนะเพราะว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกสามารถยังโสดาปฏิมรักให้เกิดได้เนี่ยนะอีกข้อหนึ่งครับที่ว่าเห็นส ม, มณะเนี่ยครับยังไงครับอสมณานันจะทัศนงังก็คือเธ อ, อหมายถึงเห็นส ม, มณะเพื่อที่จะได้ว่าถ้าเห็นแล้วก็มีศรัทธากับท่านใช่ไหมเมื่อมีศรัทธา มีการลุกรับมีการเชื่อเชิญแล้วก็มีการไหวจนถึงกับมีการฟังธรรมเป็นต้นะนะมันก็จะเป็นเหตุให้ได้มงคลข้ออื่นอื่นอีกคือไม่ใช่เห็นเ่ด้วยจักขู่เฉยแต่เห็นแล้วมีศรัทธาเกิดขึ้น น, นะ<ม>เห็นแล้วก็มีศรัทธาให้ทานก็ฟังธรรมต่อไปอ น, นะเพราะว่าสามณะมาองเดียวเนี่ยมันสามารถให้ได้มงคลข้ออื่นอื่นอีกตั้งหลายข้อ เช่นเพราะส ม, มณะเหล่านั้นถ้าท่านเป็นบัณฑิตเราก็ชื่อว่าครบครบบัณฑิตนะใช่ไหมในขณะที่เราครบบัณฑิตขณะนั้นก็ชื่อว่าเว้นจากคนผ่านถ้าท่านเป็นคนที่มีคุณธรรมมีศีลดีมีทํางามเรานับถือท่านก็ชื่อว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาใช่ไหมแล้วก็การเกี่ยวข้องกับท่านท่านอยู่ที่ไหนเออเราอยู่ด้วยกับท่านก็นับว่าปฏิรูประเทศเห็นไนหะเราทําบุญกับท่านอ้าวก็เท่ากับว่า เรากำลังทำบุญไว้แล้วนะจะได้มีบุญในปางก่อนต่อไปแล้วก็การเกี่ยวข้องกับท่านเป็นเหตุให้ได้ฟังทำให้ได้สนทนาธรรมนะทำให้รู้จักมงคลข้ออื่นๆเช่นรู้จักบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นต้นนั้นอาศัยการฟังก็จะได้รับการแนะนำทั้งหมดเลยแต่อย่าลืมว่าสัมมนาจริงๆนะเอาสัมมนจริงๆ น, นี่จริงอ่ข้อที่ว่าวาจาวาจาสุภาษิตนี่ก็เป็นอุดมมงคลนี้อันนี้ก็ ถ้าถ้าทำให้มงคลนี้เกิดขึ้นได้ก็นับว่าโอ้เยี่ยมแลวครับว่าจาสุภาสิทธิ์นี่ที่ท่านกล่าวไว้ใช่ไหมเนะจิพมีอะไรบ้างครัทุกกันก็พูดถูกการหนึ่งแล้วก็เป็นคำสัต์จริงหนึ่งแล้วก็พูดเป็นประโยชน์พูดจาอ่อนหวานแล้วก็พูดคะเมตตา นะั้นพวกการใช้วาจาที่ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้ก็นับว่าเป็นวาจาสุภาษิตอย่างดีจริงๆเลยนะยกตัวอย่างถ้าจะพูดก็ต้องพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ก่อนใช่ไหมผู้ที่เป็นคําพูดที่มีประโยชน์เนี่ยนะต้องดูเวลาด้วยนะว่าถูกเวลาไหมเข้ากับเวลาเข้ากับสถานที่หรือเปล่าเนี่ยนะบางทีก็ไม่ถูกเวลาไม่ถูกสถานที่ก็นับว่ามีโทษนะ แล้วคำที่เอามาพูดนั้นก็ต้องเป็นคาศักด์คำจริงด้วยนะจริงจะได้ดีแล้วก็พูดแล้วก็ถ้อยคำเนี่ยคนโดยมากต้องชอบอนะนะเรเป็นคำที่ที่ไพเราะวังนั้นแหละเป็นมธทุระวาจาเลยเหมือนน้ำผึ้งเลยนะต้องหาสรรหาคำแบบนั้นมาใช้แล้วก็สภาพจิตที่พูดเนี่ยนะไม่ใช่โอ้โหถ้อยคำหวานซึ้งเลยนะแต่ว่าเจตนาไม่ดีมันต้องพูดด้วยเมตตาจริงๆ อันนี้ก็เป็นหลักของการใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตแต่สําคัญมากก็อย่างเรื่องการนี่ก็นับว่าดีการนี่ก็นับว่าสําคัญมากในการใช้วาจาเพราะถ้าหากว่าพูดผิดการนะพูดผิดการพูดผิดสถานที่พูดผิดบุคคลเนี่ยไม่แน่นะพระโพธิสัตว์เนี่ยโหสลบเลยมีในชาดกในเรื่องหนึ่งเขบอกว่าพูดให้พระราชาฟังพระราชาเนี่ยโหจะยกบ้านสวยให้เลยไปพูดให้คนพายเรือฟังคนพายเรือนี้ ตายถ้ากลบเนะี่ยคาคําเดียวกันเนี่ยนะพูดผิดการผิดที่กันเลยเสียหายมาก